เราได้สร้างไว้แล้วมันมีทางแล้วเห็นแล้วตอไม่เกิดอะไรก็คิดเห็นพบเห็นรู้เห็นแต่คิดเห็นมันยังอยู่กลยแต่ภาคปฏิบัติมันพบเห็นเห็นความหลงก็เห็นความรู้มาพร้อมๆกัน 9, ก้าวออกจากความหลงไปสู่ความรู้ก้าวไปที่หนังมันถูกความหลงยกขาออกไปสู่ความรู้งอนเรายกขาไปเหยียบหนาม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 ทำไมจึงพูดอย่างไั่นทำไมจึงทําอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างโน่นอย่างนี้มันติดมาเอามาทําไมเอามาทําไมเอามาทําไมเอามาฟ้อง ต, ตัวเองเป็นโจทก์ของเราเป็นจําเลยตัวเองเป็นโจทก์ตัวเองตัวเราเป็นจําเลยตัวเองชีวิตที่มีแต่โจทถูกเป็นจําเลยตลอดชีวิตทั้งชาติความหลงก็เป็นโจทเราก็รับ อ, อกความหลงมาไว้ในกายในใจ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 เป็นพระได้แล้วเน้ะนี่มันเป็นพระได้จริงๆพระคือผู้บสุดผู้ไม่เบียดเบียนใครผู้เบียดตัวเองเป็นพระได้แล้วเนองอาจจะนุ่งกางเกงนุ่งเสื้อผ้าถุงเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวสีอะไรต่างๆอาจจะเป็นพระในชีวิตกิจใจได้ไม่ใช่ว่าโอ้เป็นพระคือเป็นนั้นอื่นไม่ใช่พระเนี่ยเกิดจากพระสัธรรม พระสงฆ์เกิดจากพระศิธ ร, รดังที่เราสวดธรรมัตินะ ธ, ร ธ, ธ, รตรธรมัยโชสุปฏิปฏิคุณาพิยตโตพระสงฆ์เกิดจากพระัทธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นนั่นเกิดจากการปฏิบัติคำว่าสงฆ์นะสงฆ์ก็คือผู้ที่ทำลายความโลภความโกรธลงได้เบาบางหรือทำลายลงได้หรือหมดไป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 ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงตามสมควรแจ่ปฏิบัติเห็นเราจเจริญสติทุกคนทําได้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธลองเอามือวางไว้บนเขา่าหลวงพ่อเคยไปสอนหลายหลายหลายประเทศหลายละทิเอามือวางไว้บนเขา่ารู้สึกตัวไหมเขาก็บอกว่ารู้สึกตัวได้คุณเป็นถือศาสนาอะไรคุณถือศาสนาคิดบางคนเขาก็บอกว่าผมเป็นอิสลาม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 กิจที่มันทวนกระแสองค์อาจจะคิดถึงเพียมพานะอาจจะคิดถึงราหุนอาจจะคิดถึงพระราชาสมบัติพัรสถานทรัพย์สินเสด็จคารอาจจะคิดถึงบริวารทั้งปวงไผ่พระประชาชนเวลาใดที่พระองค์คิดถึงอย่างก็กลับขึ้นมาไม่ใช่เรามาคิดถึงเพียมพาราหุนเรามาสแสวงหาโม ก, กะธรรมกลับมาอยู่กับตัวเอง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 พ่อแม่ชื่นใจเห็นลูกชื่นใจเป็นยาหอมสำหรับพ่อสาหรับแม่อันนี้มันทำห้ชื่นใจได้นะพ่อแม่อาจจะได้สวรรค์ในผานลูกใครทำงา้เขาก็อวดเขียนจดหมายมาอวดหลวงพ่าฉันก็ได้สามีเป็นคนดีฉันก็ได้ลูกเป็นคนดีมีความสุขได้สวรรค์ในผานเพราะลูกลูกจงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์ในผาน